นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสะข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นวันนี้เป็นวันที่สองของการลิกเรนปฏิบัติเป็นวันที่ ได้ให้ผู้เรียนทั้งหลายได้สังเกตลมหายใจเราก็ได้ทําความรู้จักกับเรื่องของนิวรคือเครื่องการกั้นจิตที่จะทําให้จิตนั้นไม่สามารถเป็นสมาธิได้ในการที่เราสังเกตลมหายใจนั้นมีสติอยู่ในลมหายใจนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ นั่งคู่ขาตั้งกายตรงก็คือถ้าเรามีขอตรงหลังตรงก็จะเป็นผลดีต่อการนั่งสมาธิในระยะยาวแล้วการนั่งนั้นก็ไม่ได้ต้องใช้สายตาเพราะฉะนั้นตะไครที่ใส่แว่นอาจจะถอดแว่นก็ได้ก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกเบาลงได้ ในการสังเกตลมหายใจนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงเหตุอยู่หลายประการดีถ้าเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วก็จะสามารถทำให้เป็นผู้มีสติอยู่ในลมหายใจได้ปิกษุทังหลายเธอผู้เจริญอาณาปานาสติซึ่งประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ย่อมแทงตลอดซึ่งทำอันไม่กลับกำเริบได้ต่อการไม่นานทีเดียว เหตุเหล่านั้นคืออะไรเล่าคือเธอนั้นเป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่อง 3. เป็นผู้ไม่มีความมุนชาประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นคือจากเรียานธรรม 4. เป็นผู้ มีสุดตะมากทรงสุดตะสั่งสมสุดตะคือทำเหล่าใดงดงามในเบื้องต้นงดงามใน่ามกลางงดงามในที่สุดสแสดงอยู่ซึ่งพรหมจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตฐะและพยัญชนะธรรมะมีลักษณะเห็นป่านั้นเป็นธรรมที่เธอฟังแล้วมากส่งไว้คล้องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น หาเธอนั้นพิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วเป็นลําดับ 6. เธอนั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลําบากซึ่งคาถาอันเป็นไปเพื่อขุดเก่าวกิเลสอันเป็นที่เปิดโลกแห่งจิตกล่าวคือคาถาเรื่องการปรารถนาน้อยคาถาเรื่องสันโดษคาถาเรื่องความสงัด คาถาเรื่องการไม่กลุ๊กคลีคาถาเรื่องความเพียรคาถาเรื่องศีลคาถาเรื่องสมาธิคาถาเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติและเรื่องวิมุตติญาณทัศนะ 7. เธอเป็นผู้อยู่ป่ามีเสานาสะนะอันสงัดเธอผู้ใดที่กระทำให้มากซึ่งอนาปานสติซึ่งประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ ย่อมแต่งตลอดซึ่งทำอันไม่กลับกำเริบได้ต่อการไม่นานเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเธอเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายมีอาหารน้อยปรารบความเพียรฟังธรรมะก็จะทำให้สามารถสังเกตลมหายใจได้พิสูจทั้งหลายเธอ จะสามารถเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายตามเห็นจิตในจิตและตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือเป็นผู้ที่สามารถเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เมื่อเถอนั้นละธรรมหประการต่อไปนี้คือเป็นละความเป็นผู้ยินดีในการงานละความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุง้ง ละความเป็นผู้ยินดีในการหลับไหลละความเป็นผู้ยินดีในการกลุกคลีกันเป็นหมู่ละความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทบาลในอินทรีย์ทั้งหลายและเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเพราะฉะนั้นถ้าผู้หลิกเล่นทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่ในการหลิกเล่นรับประทานานแต่พอดีปรารบความเพียร ก็จะสามารถทําให้จิตของเรานั้นมีสติอยู่ในลมหายใจได้ในวันนี้ก็จะให้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลักความเป็นเหตุเป็นผลของคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องปฏิหารหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขังคําสอนของพระทเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งวันนี้ก็จะได้ให้ฟังสิ่งเหล่านั้นเรื่องการทำงานของสัมผัสและความทุกข์ปีกสุดทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับหลังก็ปรากฏ เมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีอยู่การคู้เข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องไส้มีอยู่ความหิวและความกระหายก็ปรากฏนี้ฉันใด้ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันเพราะอาศัยซึ่งตาด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดความรู้แจ้งต่างๆเพราะการประจบกันของธรรมสามประการคือตารูปและการรู้แจ้งต่างๆ นั่นคือปัจสะเพราะมีผัจสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหานี่คือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดเพราะการสัมผัสต่ตงตางๆเป็นเหตุเพราะอาศัยซึ่งเสียงด้วย เพราะอาศัยซึ่งหูด้วยซึ่งเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดความรู้แจ้งทางหูการประกอบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือเสียงหูและการรู้แจ้งทางหูนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี่คือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์เพราะอาศัย ซึ่งกลิ่นด้วยซึ่งจมูกด้วยจึงเกิดการรู้แจ้งทางจมูกการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือจมูกกลิ่นและการรู้แจ้งทางจมูกนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี่คือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์เพราะอาศัยซึ่งลิ้นด้วยซึ่งรสทั้งหลายด้วย จึงเกิดความรู้แจ้งทางลิ้นการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือลิ้นรสและการรู้แจ้งทางลิ้นนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี่คือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์เพราะอาศัยซึ่งกายซึ่งสัมผัสทั้งหลายจึงเกิดการรู้แจ้ง่างกาย การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือกายสัมปัตต์ทางกายและการรู้แจ้งทางกายนั่นคือพัสสะเพราะมีพัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี้คือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์เพราะอาศัยซึ่งมโนด้วยซึ่งธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณคือความรู้แจ้งทางใจการประกอบ ซึ่งทำสามประการคือมโนธรมมารมและมโนบิญญาณนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี่คือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ปิสุทธิลายนี่แหละคือความตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์เมื่อตามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะความสัมผัส่งางๆเมื่อหู จมูกลิ้นและกายและใจมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะสัมผัสเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันปิกษุทั้งหลายเมื่อมื อ, มอทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่มีปรากฏเมือ่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับหลังก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการคูเข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏ เมื่อท้องไส้ไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏนี่ฉันได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าตาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าหูจมูกลิ้นกายและใจไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นฉะ น, นั้นเหมือนกัน เรื่องวิธีแก้ความทุกข์พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งอันโอชะขึ้นไปเบื้องบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน ข้อนี้ฉันใดอานอนต์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เธอผู้ใดเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นของน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาจึงมีความยึดมั่นคืออุปทานเพราะมีความยึดมั่นจึงมีพบ เพราะมีพบจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรารพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นครบต้วนความเกิดขึ้นเพราะแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อานนท์หรือเปรยียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ลำดับนั้นบุรุษพึงถือเอาจอบ และบุ้งกีมาแล้วบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดเสาะครั้นขุดเสาะแล้วพึงรื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่า ก, าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้ว พึงกระทำให้เป็นซีกๆครั้นกระทำให้เป็นซีกๆแล้วพึงพึงให้แด่พึงพึงให้แห้งในลมและแดดครั้นพึงให้แห้งในลมและแดดแล้วย่อมเผาด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทำให้เป็นขี้เท่าครั้นกระทำให้เป็นขี้เท่าแล้วย่อมโปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือว่าพึงให้ลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยว อนน์ด้วยการกระทำอย่างนี้แลต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะพึงเป็นต้นไม้ที่มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทําลายแล้วที่กั้แห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดอนนล์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเมื่อเธอผู้ใดมีปกติเห็นโดยความเป็นทวดอันต่ำสาม ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นอยู่ตันหาย่อมดับเพราะความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปทานคือความยึดเพราะมีความดับแห่งความยึดถือคืออุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งการเกิดเพราะมีความดับแห่งการเกิด ความแก่ความตายความโศกความร่ำลรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแกนใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ปิสุทธิ์ทลายเพราะทำสามอย่างนี้ปรากฏอยู่ตถาคตจึงเกิดมีในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกทำสามอย่างนั้นก็คือการเกิดการแก่และการตายภิกษุดท้งหลายเพราะธรรมสามประการเหล่านี้แลมีอยู่ในโลกตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปในโลกแล้ว ปิจุตทาลายพระบุคคลละซึ่งทำสามประการคือราคะโทสะโมหะก็สามารถเพื่อจะละทำสามประการคือการการเกิดการแก่และการตายปิจุตทาลายเมื่อบุคคลละซึ่งทำสามประการคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ากายของตน ละความลังเลในธรรมที่ไม่ควรลังเลคือวิจิกิจจาละการรูปคลัมศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลก็สามารถเพื่อจะละทำสามประการคือราคะโทสะและโมหะภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละซึ่งธรรมสามประการคือความธรรมในใจโดยไม่แยกกายการปัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วและความมีจิตอันหดหู ก็สามารถเพื่อจะละทำสามประการคือสักะยะทิฏฐิวิชิกิจฉาและการรูปคลำศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลปิษุตต์หลายบุคคลเมื่อละซึ่งทำสามอย่างคือความมีสติอันลืมหลงความปราศจากสัมปชัญญะและความสายแห่งจิตก็สามารถเพื่อจะละทำสามประการคือความทำในใจโดยไม่ยับกาย การผัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วและความมีจิตหดหู่ปีกษุทต่งหลายบุคคลเมื่อละซึ่งทำสมประการคือความไม่อยากเห็นพระอริยเจา้าความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจา้าและความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวก็สามารถเพื่อจะละทำสามประการนั้นคือความมีสติอันลืมหลงความปราศจากสัมปชัญญะและความสายแห่งจิต ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละซึ่งทำสามประการนี้คือความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมและความทุศีลก็สามารถเพื่อจะละซึ่งทำสามประการนั้นคือความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าและความมีจิตเที่ยวกเกาะเกี่ยวภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละซึ่งทำสามประการนี้คือความไม่มีศรัทธา ความไม่เป็นวัฒนอยู่และความเป็นคนเกียจคร้านก็สามารถเพื่อจะละซึ่งทำสามประการนั้นคือความฟุ้งซ่านความไม่สมรวมและความทุศีนภิกษุทงหลายบุคคลเมื่อละซึ่งทำสามประการต่อไปนี้คือความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและธรรมอันควรเอื้อเฟื้อความเป็นคนว่ายากและความมีคนความมีมิดชั่ว ก็สามารถเพื่อจะละซึ่งทำสามประการนั้นคือความไม่มีศรัทธาความไม่เป็นวันอยู่และความเหียจคร้านปิจิตตุลาลยบุคคลเมื่อละทำสามประการต่อไปนี้คือความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวและความประมาทก็สามารถเพื่อจะละซึ่งทำสามประการนั้น คือความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลอันควรเอื้อเฟื้อความเป็นคนว่ายากและความมีมิชั่วภิษุทั้งหลายบุคคล น, นี้เป็นผู้ที่ละอายในสิ่งที่ควรละอายเป็นผู้ที่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวและเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็สามารถเพื่อที่จะทำให้ราคะโทสะและโมหะสิ้นไป บุคคลที่ละราคะโทสะและโมหะได้เมื่อเขาละราคะโทสะและโมหะได้ก็อาจเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะละซึ่งการเกิดการแก่และการตายได้ดังนี้แหลเรื่องกระบวนการการเกิดและการแก้ความทุกข์อนุ น, น อา น, นุนความข้อนี้เธอต้องทราบความข้อนี้เธอต้องทราบโดยรายละเอียด <c oughs> เรื่องกระบวนการการเกิดและการแก้ความทุกข์ปิกสุดอนนุ์ก็คําที่ว่าความแก่และความตายมีเพราะเหตุคือการเกิดดังนี้นั้นเธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่า ถ้าหากว่าการเกิดจะไม่มีแกลล์ไกลในที่ไหนไหๆโดยทุกชนิดทุกอาการแล้วกาวคือเพื่อความเป็นเทพในหมู่แห่งเท พ, เกพก็ดีการเกิดเพื่อความเป็นคนทันในพวกคนทันทั้งหลายก็ดีการเกิดเพื่อความเป็นยักษ์ในพวกยักษ์ทั้งหลายก็ดีการเกิดเพื่อความเป็นพูดคืออสุรกายในพวกอสุรกายทั้งหลายก็ดีการเกิดเพื่อความเป็นมนุษย์ ในพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าแห่งพวกสัตว์สเท้าทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์มีปีกแห่งพวกสัตว์มีปีกทั้งหลายก็ดีการเกิดเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายก็ดีดังนี้แล้วไซ้อานนท้าการเกิดจะไม่มีแก่ถ้าการเกิดจะไม่มีแล้วแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเพื่อความเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อการเกิดไม่ม sponsors, ี เพราะความดับไปแห่งการเกิดโดยประการตั้งปวงแล้วความแก่และความตายจะมีขึ้นมาให้เห็นได้หรือไม่นอ้อความแก่และความตายจะมีขึ้นมาให้เห็นได้อย่างไรกันอ น, นุนเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดและเหตุปัจจัยของการแก่และการตายนั่นคือการเกิดอ น, นุ์ก็คํานี้ที่ว่า การเกิดมีเพราะเหตุคือพบดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนท์เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าพบคือสถานที่เกิดจะไม่มีแก่ไกลในที่ไหนๆโดยทุกชนิดทุกอาการกล่าวคือการมาพบก็ดีรูปประพบก็ดีรูปประพบก็ดีแล้วไซเมื่อพบไม่มี เพราะความดับไปแห่งพบโดยประการทั้งปวงแล้วการเกิดจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันอ น, อนนนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดและเหตุปัจจัยของการเกิดนั่นคือพบอ น, อนนนท์ก็คํานี้ที่ว่าพบมีเพราะเหตุคืออุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นดังนี้ เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนท์เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั้นจะไม่มีแก่ไกลในที่ไหนๆโดยทุกชนิดทุกอาการกล่าวคือความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลและวัดและความยึดมั่นในความเป็นตัวตนก็ดี เมื่อความยึดมั่นไม่มีพระความดับไปแห่งอุปทานโดยประการทั้งปวงแล้วพบจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันเพระเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดเหตุปัจจัยของพบนั่นคืออุปทานอานนท์คําว่าอุปทานคือความยึดนั้นมีเพราะปัจจัยคือตัณหาคํานี้เป็นคําที่เรากล่าวแล้ว ก็ข้อความนี้เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าตัณหาจะไม่มีไก่ไกลในที่ไหนๆโดยทุกชนิดทุกอาการกล่าวคือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสัมผัสต่างกายและตัณหาในธรรมารมแล้วไซเมื่อตัณหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งตัณหาโดยประการตั้งปวงแล้ว ความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันประเหตุนั้นในเรื่องนี้นี่แหละคือเหตุคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดและเหตุปัจจัยของอุปทานนั่นคือตันหาอ น, นุนก็คำที่ว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือความรู้สึกคือเวทนาคำนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอ น, วนุน เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากเวทนาคือความรู้สึกจะไม่มีแกลลไกลในที่ไหนๆโดยทุกชนิดทุกอาการกล่าวคือความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางตาความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางหูความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางจมูกความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางลิ้นความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางกายและความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางใจ เหล่านี้แล้วใซ้เมื่อเวทนาคือความรู้สึกไม่มีเพราะความดับไปโดยแห่งเวทนาโดยประการทั้งปวงแล้วตัณหาคือความอยากจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันอานอนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุเกิดคือสิ่งที่มาก่อนและเหตุปัจจัยของตัณหานั่นคือเวทนาอานอนท์ด้วยอาการอย่างนี้แหลเป็นนันกล่าวได้ว่า เพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาเพระาพร ะ, ha, พร ะ, พระอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรองใจรักเพราะอาศัยความปรองใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีการสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีเพราะอาศัยความตรณนนีจึงมีการห่วงกัน้นเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดสเสียดการพูดเท็จทั้งหลาย ทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้เป็นนั้นว่าข้อความเช่นนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอนนต์ด้วยอาการอย่างนี้ทำทั้งสองอย่างคือตัณหาที่เป็นไปเพื่อการสแสวงหาและตัณหาอันเป็นไปเพื่ออุปทาน รวมเป็นธรรมที่มีมูลรากอันเดียวกันในเวทนาคือเวทนาอย่างเดียวก็เป็นมูลสำหรับตันหาที่เป็นไปเพื่อการสแสวงหาและตันหาที่เป็นไปเพื่ออุปทานอานนค์คกล่าวที่ว่าเวทนามีเพราะเหตุคือผัจจะดังนี้นั้นเป็นคําที่เรากล่าวแล้วข้อความนี้เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่า ถ้าผัสสะจะไม่มีแก่ล์ใๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดทุกอาการกล่าวคือผัสสะทางตาทางหูผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วใช้เมื่อผัสสะคือสัมผัสไม่มีเพราะความดับไปแห่งผัสสะโดยประการทั้งปวง ความรู้สึกคือเวทนาจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดและเหตุปัจจัยของเวทนานั่นคือผัสสะอ น, นุนก็คำที่ว่าผัสสะมีเพราะเหตุคือนามรูปนั่นแหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วอ น, นุนเธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่า การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามย่อมมีได้โดยอาศัยนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่อนิมิตและอุเทศทั้งหลายไม่มีเสียแล้วการสัมผัสด้วยการเรียกชื่อในกรณีการเกี่ยวกับรูปของกายจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันและการบัญญัติซึ่งหมู่แห่งรูปย่อมมีได้ด้วยอาศัยนิมิตและอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่อนิมิตและอุเทศทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเสียแล้ว การสัมผัสด้วยการกระทบในกรณีอันเกี่ยวกับนามกายจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันอนนนท์การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามด้วยการบัญญัติซึ่งหมู่แห่งรูปด้วยย่อมมีได้ด้วยอาศัยซึ่งนิมิตและอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่อการเมื่ออาการของนิมิตและอุเทศทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีแล้วการสัมผัสด้วยการเรียกชื่อก็ดีการสัมผัสด้วยการกระทบก็ดี จะมีขึ้นมาได้อย่างไรกันเพราะเหตุนั่นแหละในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดและเหตุปัจจัยของปัสสะนั่นคือนามรูปอนนต์ก็คํานี้ที่ว่านามรูปมีเพราะเหตุคือวิญญาณนั่นเป็นคําที่เรากล่าวแล้วก็คํานี้เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าวิญญาณ คือการรับรู้นั้นจะไม่ก้าวลงสู่ในท้องแห่งมารดาแล้วไซนามรูปจะปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารยาแห่งมารดาได้อย่างไรกันอานน์ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในคันแห่งมารดาแล้วถ้าหากวิญญาณที่ก้าวลงในคันแห่งมารดาจะสลายลงเสร็จแล้วนามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกัน ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจะขาดโลงเสียแล้วนามรูปจะถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพ่บุญได้อย่างไรกันเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุเกิดและเหตุปัจจัยของนามรูปนั่นคือวิญญาณอ น, นุนคานี้ที่ว่าวิญญาณมีเพราะเหตุคือนามรูปคำนี้เป็นรมที่เรากล่าวแล้ว เธอต้องทราบโดยรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแล้วไซส์ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งความทุกข์คือการเกิดการแก่และการตายจะมีต่อไปได้อย่างไรกันเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นี่แหละคือเหตุเกิดคือสิ่งที่มาก่อนคือเหตุและปัจจัยของวิญญาณนั่นคือนามรูปอ น, นุน ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติจึงอุบัติบ้างคลองแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการปัญญาก็มีเพียงเท่านี้เสสรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความวินว่ายในวัฏฏะสงสารก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่ เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้ของนามรูปกับวิญญาณนั่นเองเรื่องการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอะภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่าภิกษุชื่อมิคาสาระในทุนตาม มิกระจั拉รูปทั้งหลายอันจะพึเงเห็นได้ด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใกล้น่าพอใจมีรูปน่ารักอันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย้อมใจมีอยู่ถาหากเธอนั้นไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งรูปนั้นไซแก่เธอผู้เพลิดเพลินถ้าหากว่าเธอ เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นซช้แก่เธอผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปอยู่นั่นแหละความเพลินคือนันที่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลินมีอยู่ความกำหนัดกล้าย่อมมีเมื่อความกำหนัดกล้ามีอยู่ความผูกจิตติดกับอารมย์ย่อมมีมิจฉาหละเธอผู้ใด ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกะชละ่าเธอผู้ใดที่มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสบเสนสนะอันเป็นป่าช้าหรือป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคน เป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเล่นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงนั้นเธอนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองราะนั้นพระเอกรายเล่าก็เพราะว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเธอผู้นั้นตันหานั้นถ้าเธออย่างละไม่ได้แล้วพระเหตุนั้นเธอผู้นั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอะภิกษุจึงเรียกว่าจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ามิกสลารูปทั้งหลายอันจะเป็นเห็นได้โดยตาซึ่งเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใกล้พอใจมีรูปน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความสยบกำนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากเธอผู้นั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไ้ายแกเธอผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่ reduz, <giggles S 1> สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละความเพลินย่อมดับไปเมื่อความเพลินคือนันทิไม่มีอยู่ความกำหนัดกล้าย่อมไม่มีเมื่อความกำหนัดกล้าไม่มีอยู่ความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีมิคชัลา แกเธอผู้ไม่เธอผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิจฉาหละเธอผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชาหรือมหาอหมาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดรัจฉ์ หรือสาวพกของดิระจฉทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นเธอนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ราะนั้นพระเหถรเล่าก็าเพราะเหตุว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเธอผู้นั้นตันหานั้นอันเธอนั้นละได้แล้วเพราะเหตุนั้นเธอผู้นั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว เรื่องลักษณะแห่งการอยู่ด้วยความประมาทและไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเธอผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดที่ไม่สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตของเธอย่อมกลือกกลัวในรูปเสียงกลิ่นและรส ปทภะและตมารมม์อันเป็นวิสัยที่จะรู้สึกได้ด้วยอินทรีย์เหล่านั้นแก่เธอผู้มีจิตเกลือกลั้วแล้วปราโมทย่อมไม่เกิดเมื่อไม่มีปราโมทปิติก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีปิติปัสสติคือความสงบระงับก็ไม่มีเมื่อความสงบระงับไม่มีเธอผู้นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์ จิตก็ย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทาทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏเธอนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้นี่แหละคือลักษณะของเธอเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทนี่แหละคือลักษณะของผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทพิสุทั้งหลาย เธอผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าคือเธอนั้นเป็นผู้สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตของเธอนั้นย่อมไม่เกลืกล้วในรูปเสียงกลิ่นรสธพะและธรรมารมอันเป็นวิสัยที่จะรู้ได้ด้วยอินทรีย์เหล่านั้นเมื่อเธอนั้นมีจิตไม่เกลืกล้วแล้ว ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติก็ย่อมเกิดเมื่อมีปีติความสงบระงับคือปัจสถิก็มีเมื่อมีความสงบระงับเธอผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขเธอเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทาทั้งหลายย่อมปรากฏพระธรรมทั้งหลายปรากฏเธอนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่า เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้นี่แหละคือเธอผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเรื่องลักษณะลักษณะทุพละภาวะของมนุษย์ปิกสุทลายสมัยใดราชาผู้ปกครองทั้งหลาย คือราชาผู arm, ้ปกครองราชาคือชนชั้นผู้ปกครองทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพรามและก้าราบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพรามและขราบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีวงโครจรไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีวงรอบไม่สม่ำเสมอดาวฤกษ์และดาวทั้งหลายก็มีวงโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวฤกษ์และดาวทั้งหลายมีวงโคจรไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีวงรอบไม่สม่ำเสมอเดือนและปัก ก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีวงรอบไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีวงรอบไม่สม่ำเสมอลมทุกชนิดก็พัดไปอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อลมทุกชนิดพัดไปอย่างไม่สม่ำเสมอระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อระบบทิศทางลมอันถูกต้องแปรปรว่น เทวดาทั้งหลายก็ระสำมระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระสำมรสายฝนฝนก็ตกลงมาอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกอย่างไม่สม่ำเสมอปีกสุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวอันมีความแก่และความสุกไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นมีผิวพันธุ์ซามทุพพลภาพ และมีโรคภัยไข้เจ็บมากเรื่องลักษณะแห่งการเกิดของมิกสันยีสัตว์ทันต ร, กรักบปิษสุงหลายเมื่อพระราชาคือชนชั้นปกครองในสมัยที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์มีอายุไข8 0 0 0ดปี มีการกระทำชนิดที่เป็นไปเพียงเพื่อความคุ้มครองอารักขาแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการกระทำให้เกิดทรัพย์แกบุกคคลผู้ไม่มีทรัพย์ทั้งหลายแล้วความยากจนขัดสนก็เป็นประยางกว้างขวางถึงที่สุดเพราะความยากจนขัดสนเป็นประยางกว้างขวา ง, วางถึงที่สุดการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้คืออตินนาทานก็เป็นประยางกว้างขวา ง, วางแรงกล้าถึงที่สุด เพราะการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการใช้สัตว์อาวุธโดยวิธีการต่างๆก็เป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะการใช้สัตร์อาวุธโดยวิธีการต่างๆเป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปาณาติบาตซึ่งหมายถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปาณาติบาตเป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด มุสาวาสคือการหลอกลวงคดโกงก็เป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะการหลอกลวงคดโกงเป็นประยางกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการพูดจาหยุ่ยแย่เพื่อให้แตกกันเป็นกกเป็นหมู่ทําลายความสามคัคคีก็เป็นประยางกว้างขวา ง, วางแรงกล้าถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง4ี่ห0ื่นปีเพราะการพูดจาห ย, ยุ่ยแย่ เพื่อการแตกกันเป็นกกเป็นหมู่ทำลายความสามัคคีเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการเมสุมิชาจารย์คือการทำชู้การละเมิดของรักของบุคคลอื่นก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง 20,000 ปีและ 10,000 ปีเพราะการเมสุมิชาจารย์เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด การใช้คำหยาบและการพูดเพ้อเจอ้อเพื่อความสําราญคือพฤษธสวาสดและสัมผัสปลาวาทก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสัยนี้มนุษย์มีอายุไขถ อ, ถอยลงมาเหลือเพียง 5,000 ปีเพราะการใช้คำหยาบและการพูดจาเพ้อเจอ้อเพื่อความสําราญเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดแผนการกอบโกยและการทำลายล้างคืออภิชาและพยาบาทก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด เพราะอภิชาและพยาบาทเป็นไปอย Same, ่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดชนิดเห็นกองจักเป็นดอกบัวนิยมความชั่วก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง1000ปีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศนธรรมสมอย่างคือความยินดีที่ไม่เป็นธรรมความโลภไม่มีที่สุด การประพฤติตามอำนาจกิเลสก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอย่างไม่แยกกันสมัยนี้มนุษย์มีอายุขถอยลงมาเหลือเพียง 1,000 ปีและ500ปีเพราะอากุศลธรรมทั้งสามนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้งหลายคือการไม่ประพฤติอย่างถูกต้องในบารดาบิดาสมณพราหมณ์และการไม่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง250 200และ100ปีตามลำดับสมัยนั้นจะมีสมัยนั้นจะมีม น, นะ ม, มนุษย์สมัยนั้นจะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขเหลือเพียง10ปีจะมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า หญิงอายุห้าปีก็มีบุตรรถทั้งห้าคือในใสในคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและรถเค็มก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทั้งหลายกินหญ้าที่เรียกกันว่าหญ้ากับแก่แทนการกินข้าวกุศลกรรมบดหายไปไม่มีร่องรอยอากุศลกรรมบดรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคำพูดว่ากุศลจึงไม่มีการทากุศล มนุษย์สมัยนั้นจะไม่ยกย่องสรนเสริญการเคารพเกื้อกูลต่อมารดาบิดาความเคารพเกื้อกูลต่อสมณพราหมณ์หรือการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำเหมือนอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ไม่มีคำพูดว่าแม่น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้าภรรยาของอาจารย์และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจะกระทำการส ำ, ส, ำสู สมสู่สัมสอนเช่นเดียวกันกันกบแพะแกะไก่สุนัขสุกรสุนักจิ้งจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมารดากระ บ, บุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายเหมือนอย่างที่นายพรานมีความรู้สึกต่อเนื้อสายทั้งหลายในสมัยนั้น จะมีสิ่งที่เรียกว่าสัตถันตรกับคือการใช้สัสตราวุธติดต่อกันอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดเจ็ดวันสัตว์ตั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสาคัญแก่กันและกันเรากับว่าเนื้อสายแต่ละคนมีสัตราวุธในมือปลงชีวิตซึ่งกันและกันเรากับข่าเรากับว่าข่าปลาค่าเนื้อในสมัยนั้นมีมนุษย์หลายคนไม่เข้าร่วมวงแห่งสัตถันตรกบ ด้วยความกลัวหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอซ่อนตัวได้ตลอด7วันแล้วกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกันกล่าวกา ก, กันและกันในที่นั้นว่ามีโชคดีที่รอดมาได้แล้วก็ตกลงกันในการตั้งประพฤติ ธ, ธรรมกันใหม่ต่อไปชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจาก10บปีตามลำดับตามลาดับจนถึงสมัย 80, 0 0 0ปี จนถึงสมัยที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งจนเป็นจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งาศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าเมตยะสัมมาสัมพุทธะเรื่องเหตุเกิดของอวิชชาปิกสุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏ ก่อนแต่นี้อวิชามิได้มีแต่ว่าอาวิชาพึ่งมีในภายหลังภิกษุทั้งหลายคํากล่าวอย่างนี้แหละเป็นคําที่ไกลๆควรกล่าวและควรกล่าวต่อด้วยว่าอาวิชา ย, ย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชานั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาคำตอบปึงมีว่านิวรณนทั้งหลายห้าประการเป็นอาหารของอวิชาดังนี้ปิจิุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้นิวรณนทั้งหลายห้าประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการคำตอบปึงมีว่าทุจริตทั้งหลาย3ประการ ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว ecd, ่ ja. าแม้ mm. ทุจริตตั้งหลายสามประการคือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบปึงมีว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การไม่สารวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหมก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์คำตอบพึงมีว่าความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะผิสุทธิ์ทลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหมก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะ คำตอบก็คือการทำในใจโดยไม่แยบคายหรืออโยนิโสมานสิกันปีสุตหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อโยนิโสมานสิการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอะโยนก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการทำในใจโดยไม่แยบคายคำตอบพึงมีว่าความไม่มีศรัทธา ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความไม่มีศรัทธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบก็คือการไม่ได้ฟังพระสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การไม่ได้ฟังพระสัตธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได well, ้ฟ <CROSSTALK. S 2> sal ังพระสัทธรรมคำตอบก็คือการไม่คบกับสัตว์บรุษคือการไม่คบกับคนดีภิกษุทั้งายด้วยอาการอย่างนี้เมื่อการไม่คบกับสัตว์บรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัตธรรมเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการทำในใจโดยไม่แยบขายให้บริบูรณ์เมื่อทำในใจโดยไม่แยบขายบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตทั้งหลาย3ประ ก, การให้บริบูรณ์ ทุจริตทั้งหลาย3ประการเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณนทั้งหลาย5ประการให้บริบูรณ์นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอาวิชาให้บริบูรณ์ปิกสุทลายอาหารแห่งอาวิชานี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนั ก, นกๆตกลงบนภูเขา น้ำฝนน้ำฝนนั้นแหละย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงน้อยนทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ใหญ่ทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้าน้อยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทาแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทํามหาสมุทรสาคอนทั้งหลายให้เต็มพิสุท์ทั้งหลายอาหารแห่งมาหาสมุทสาคอรนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และเต็มได้ด้วยอาการอย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องอาหารอาหารของวิชา ปิจิตทั้งหลายเรากล่าวเรากล่าวว่าแม้วิชาและวิมุตก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตคําตอบปึงมีว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเจ็ดประการคือพงโภชงเจประการนั่นแหละปิกิุรทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม่โภชงทั้งหลายเจประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์ทั้งหลาย7ประการคำตอบปึงมีว่าสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการปิสุตทั้งหลายเร า, เราเกล่าวว่าถึงแม้สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการ คำตอบก็คือสุจริตทั้งหลายสามประการคือความสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจภิกษุทั้งหลายถึงแม้สุจริตทั้งหลายสามประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบก็คือการสำรวมอินทรีย์ภิสษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การสำรวมอินทรีย์ ก็ <า S 1> เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไหมก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการสํารวมอินทรีย์คําตอบก็คือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะปีสุดท้งหลายถึงแม้ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคําตอบก็คือ การทำในใจโดยแยบข่ายหรือโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลายถึงแม้โยนิโสมนสิการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการคำตอบก็คือสัตธาภิกษุทั้งหลายถึงแม้ว่าสัตธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาคําตอบก็คือการได้ฟังพระสัทธรรมปิสุตละลายถึงแม้การฟังพระสัทธรรมเป็นธรมมาา ร, นธรมชาติที่มีอาหารก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไหมก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระสัทธรรมคําตอบก็คือการครบกับคนดีคือการครบกับสัตว์บรุษ พิสุทลลายด้วยอาการอย่างนี้แหละที่เมื่อการคบกับสัตว์บรบุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทําการฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์การฟังพระสัตธรรมเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทําศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทําการทําในใจโดยแยบถ่ายคือโยนิโสมรสิการให้บริบูรณ์เมื่อโยนิโสมรสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทําความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อม WOW ทำการสมรวมอินทรีย like ์ให e ้บริบูรณ์การสมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำสูตรจริตทั้งหลาย3ประการให้บร <ona> ิบ <iterations> ูรณ <passwords> ์สูจริตทั้งหลาย3ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโพชฌงทั้งหลาย7ประการให้บริบูรณ์โพชฌง ทั้งหลายเจประการคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเจประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและบิมุติให้บริบูรณ์ได้อาหารแห่งวิชาและบิมุตนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ําฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทําซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ําน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมาหาสมุดสาคอนให้เต็มปิสุตหลายอาหารแห่งมาหาสมุดสาคอนนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้นี้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นกาวคือการครบกับสัตว์บุตบริบูรณ์แล้วย่อมทำการฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์การฟังพระสัตธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทาศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์เมื่อการทำในใจคือโยนิโสมนสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์เพราะความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เพราะการสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำสุจริตทั้งหลาย3ประการให้บริบูรณ์เมื่อสุจริตทั้งหลายทางกายทางวาจาและทางใจ เป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการให้บริบ mm. <t ools> ูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมทั้งหลาย7ประการให้บริบูรณ์เมื่อโพชงทั้งหลาย7ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ปิสุทธิ์ลอยอาหารแห่งวิชาและวิมุตตินี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละเอวัง <c oughs> ให้พักได้15้านาทีแล้วกลับมาเจริญเมตตาภาวนาต่อ